สิขาบทที่5้าว่าด้การบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุต่ำกว่า12ปีเรื่องิกษุณีหลายรูปหนึ่สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเจดวันรามของอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นิกษุณีทั้งหลายบวชให้หญิงที่มีครอบครัวมีอายุต่ำกว่า12ปี ญิงที่บวชเป็นภิกษุณีเหล่านั้นไม่อดทนไม่อดกลั้นต่อความเย็นความร้อนความหิวความกระหายสัมผัสจากเหลือบยุงลมแดดสัตว์เลื้อยคลานคำกล่าวร้ายคำที่ฟังแล้วไม่ดีความรู้สึกทางกายที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์แสนสาหัสรุนแรงเผ็ดร้อนที่ไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจแทบจะฆ่าชีวิตบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อย